ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างวางเอาไว้อย่าเพิ่งเอาเก็บมาคิดความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเราก็พยายามหยุดพยายามดับเพราะว่ามาสร้างความรู้ตัวให้เข้มแข็งให้ต่อเนื่อง ังไปด้วยนมสำเรยกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสัก 2-3 สามเที่ยวตามนึกคิดปุงแต่งต่างๆก็จะจุดล า, า, า, า, า, า, า, ายของเราก็จะมีความรู้สึกสบายขึ้นเยอะเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็หัดสร้างความรู้ตัวให้เกิดความเคยชิน ให้เกิดความชำนานตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นหายใจตั้งแต่เกิดหายใจตั้งแต่เกิดออกจากท้องพ่อท้องแม่นั่นแหละเราก็หายใจแต่เราขาดการวิเคราะห์ขาดการสังเกตความรู้ตัวก็เลยไ ม, ไม่ไม่มีมีก็มีน้อยความคิดที่เกิดจากใจหรือว่าเกิดจากใจจากจิตของเราหรือว่าเกิดจากอาการน้งคาน่าของเราอันนั้นเขาเกิดมานานเขาหลงมานาน ตัวใจนั่นแหละเขาหลงหลงเกิดอยู่ในพบน้อยอยู่ในพบใหญ่จนถึงเวลานี้มาสร้างพบของมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวใจเอาไว้คือร่างกายอัตภาพร่างกายของเรานี่แหละแล้วก็ทั้งนามมาทำความคิดอารมณ์ต่างๆเขามาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้มีพระพุทธองค์ท่านได้คนพบวิธีดับทุกแนวทางดับทุกหนทางดับทุก แล้วก็เอาอมาเปิดเผยด้วยการเจริจรญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์รู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามเห็นการเกิดการดับขัดเก้ากิเลสออกกักกิจใจของเราท่านถึงบอกว่า รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณในขันห้ารอบรู้ในโลกธรรม8ซึ่งยู่ในกายของเราหมดทุกเรื่องในชีวิตเราต้องดูต้องรู้ต้องเห็นต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่เห็นเราก็ได้แค่มีศรัทธาทมบุญแต่ขาดปัญญาที่จะเข้าไปจัดการกับกิเลสตัวละเอียดละเอียดหรือว่าตัวหยาบอยา่ยเกิดจากใจดับความเกิดที่ใจของเราถ้าใจปราศจากกิเลส ใจเขาก็บริสุทธิ์ใจเขาไม่เกิดใจเขาก็นิ่งใจเขาคลายออกจากขันห้าซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเขาก็จะว่างเราต้องพยายามทาความเข้าใจรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับจนกระทั่งหมดลมหายใจ พยายามสำรวจตรวจตาเป็นเรื่องของตัวเราเองทุกคดไม่ใช่เป็นเรื่องของคนโน้นคน น, น, ค น, นี้การทําบุญให้ทานเรามีโอกาสทํำแต่ละวันแต่ละวันเราพยายามสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบหมั่นขัดเก้ากิเลสเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติทํางานไปด้วยสังเกตใจไปด้วยปรับสภาพใจของเราให้รับรู้ไม่ให้เกิด ก็ต้องพยายามกันมีอยู่เรื่องเดียวนี้แหละที่จะต้อง เ, อเดินให้หมดถึงจุดหมายปลายทางมีไม่มากถ้าคนรู้จักเอามีศรัทธาแล้วก็ขยันมันเพียนขัดเก้ากิเลสทําความเข้าใจกับสมมุติวิมุตติทําความเข้าใจกับโลกทําความเข้าใจกับภาษาโลกภาษาธรรมสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนนะปลุกป่มให้ใจเข้าไปยาวๆลึกๆ ่ากกันไว้เรพราอผมพร้อมกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อ